เึื่อพาการตั้งสติสํารวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนกายฝึกผนจิตอันนี้ให้ส ง, งบกาย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 คิดใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงเท่กระโดโดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคออืก็ต้องลิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดโดโลดเต้นไป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 เพื่อให้จิตดวงนี้เนะี่ยมันสงบมันมีความสุขเมื่อมันสงบได้มันก็มีความสุขไอความสงบกับความสุขนั้นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะสงบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเพ่งเข้าไปภายในใ น, นี้เห็นบุญกุศลเห็นคุณอันประเสริฐอ ตั้งอยู่ในใจนี่บาปไม่มีอยู่ในใจิตใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะอะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็ทําให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิวแบบนี้นะอะมันก็ไม่ดิน้นโลนไปใ น, ในเรื่องอื่นๆใด พ่อมันได้ความเย็นใจได้ความสบายใจเนื่องจากว่าตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตอนนี่สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณนะก็เรามีสติควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริติตองแต่เรื่องดีเรื่องที่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 ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้อย่าว่าแต่เงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของห่วงแหนอยู่นี่นะก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนู่นนะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจารลงไปอย่างนี้นยะใจมันก็อดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่า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 เนี่ยะก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอะทะยานริดโรนไปในเรื่องต่างๆนั้นนะมันคดตัวเข้ามาได้เลยแบบนี้น ะ, ะนโดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอากุศลนี้นะมันจะได้ยุติลงนะเพราะว่าสติมันเตือนตนนะอ่ะถ้าหากว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ หากเพื่อความตายมันมาตัดรอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้พอมาเตือนตอนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอากุศลแหละเช่นอย่าว่าคิดกโกรธคนนั่นเกลียดคนนี้คิดจะเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะ่ะ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 แต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเนี่ยว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปบรรดาพวกเซนะอาอมารทั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระองค์นี้ใช้จ่ายพระราชาทรัพย์อันนี้นะฟุ่มเฟือยเหลือเกิน ทำให้ผู้อยู่เมื้องหลังนี่จะต้องขาดแขนลำบากทำบุญให้ทานก็ทำเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนาอามาตวิจารกันอย่างนั้นก็เสียพระไทยกลุ้มอกกุ้มใจน้อยเนื้อต่ำใจเรีก ว, ว่าก็โกรธให้เสนาอามานั้นแต่ว่าทำอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้ว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 ออกบวชบำเพ็ญไปก็ได้สำเร็จอัธหันต์เช่นพระมหินทาตเถระเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมจึงได้เหาะไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทามามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทามา ได้แล้วก็เลยตายจากงูเหลือมก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่แหละต้องคิดดูให้ดีพระเจ้าอโาศกศมหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึงแปดหมื่นสี่พันห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั่นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน อย่างนั้นนะ่ะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขึ้นมาจิตใจยังเศร้าหมองขุนมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่าใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูวเวลาจวนจากสิ้นชีพท่ำลายขันอย่างนั้นถ้าหาว่าปล่อยใจให้เศร้าหมองขุนมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีเดียว่ แต่นี่ได้ว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปนรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าว่าไม่ได้ทําบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปนรกแน่นอนทีเดียว อ, อ่ะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพาการระมัดระวังให้ดี จิตใจอันนี้นะจิต ใ, ใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่มันย่อมวันไว้เปตามอํานาจของกิเลสบาปประทำได้อยู่เป็นอย่างนั้นถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้วันรู้อริยามรรคอริยผลเช่นเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลย และกันละบาปได้ขาดเด็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจักไม่ดำหลีไปในทางอากูสนนะั่นเอแต่พรทุชนนี่ยังละกิเลสบาปกระมำนั่นให้ขาดเด็ดยังไปยังไม่ได้เลยคำว่าละได้กันละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะไม่ได้ละได้หมดนั่นเอง แต่สําหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วนั้ท่านละหมดไปเลยละได้หมดแต่อย่างนั้นยิงอยู่ในตาําราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธ ค, ความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภนในใจของพระโสดาบันนั้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทําบาปอาคุลได้หมายความว่าอย่างนั้น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 แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั่นแหะไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วครูชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่พุทุชนนี่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 เพียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่ำนี้สังโยชน์สามนี้ได้เท่านั้นเองเนะี่เพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องขู ก, กิจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่มีถึงสิบอย่างนู่นเป็นอย่างนี้วันนี้พระโสดาบันนั้นละได้สามกับพระสกิทาคามีเนี่ยละสังโยชนนี่ได้สามกับบรรเทาความโลกโกรธหลงนี่ลงได้สําหรับพระสกิทาคามีนะ พระอนาคามีละสังโย์ได้ห้าละสังโยช์เบื้องต่ำได้ห้านี่ลยสำหรับพระอราหันต์แล้วละได้ทั้งสิบเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพึงพากันเข้าใจสังโยตก็หมายเอากิเลสนัน่หมายเอาจิตใจที่คล้องอยู่ในกิเลสเป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้น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 มันก็สู้ความโลภไม่ได้ความโลภมันก็มาปั่นจิตให้คิดเพ่งเลี้ยงอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สุดเลยอะโดยเฉพาะกขาเลียว่าอยากได้สมบัติของอื่นนั่นแหละมาเป็นของชนนะมเมื่อความโลภมันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลใดมาฝึ ก, กจิตใจให้ยินดีในการบริจาคทานจนติดนิดสัยเข้าไปอย่างนี้แล้ว ความโลภอย่างว่านะั้นมันครอบงาจิตใจไม่ได้เลยน เ, นเพราะว่าใจมันยินดีอยู่ในทานแล้วอยู่ในการเสียสละแล้วแต่ของของตนนะตนยังสละออกให้ทานได้เรื่องอะไรที่เราจะไปโลภไปแย่งทิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะมันเป็นไปไม่ได้ไอคนที่ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นเป็น ข, ข, ของตนนี่เพราะว่าของของตนที่หามาได้นี่ก็ตันนี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 ให้รู้ตัวอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกได้เสียก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่มีเนี่ยเมื่อระลึกได้อยู่นี่นะถ้ารู้ว่ามันมีโทษก็ไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์ตอนละผู้อื่นก็ทําลงไปพูดไปมันก็เป็นประโยชน์ตอนละผู้อื่นเรื่อยไป อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่หลงไม่เมาในสังขาร น, นามรูปอันนี้เมื่อไม่หลงเราก็สามารถใช้ขันห้าอันนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นได้ตลอดถึงบำเพ็ญจิตตะภาวนาทำใจให้สงบระงับจเจริญปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกให้บังเกิดขึ้นได้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 น้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายมันไม่แข็งกระด้างมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยวางความก้าวหน้าแล้วก็ต้องเจริญไตรลักษณะญาณเนี่ยให้มันเจีมแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วก็อย่าไปชอบยกโทษผู้อื่นอย่าไปชอบยกทนข่มผู้อื่นใครอย่าทำดีทาชั่วอะไรก็เป็นสิทธิของเขา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 เมื่อมันรวมกำลังเข้ามาหังมากเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเราอาศัยบุญกุศลนี่แท้ๆนะรวมกำลังกันเข้าแล้วทำให้เกิดปัญญาอันวิเศษขึ้นมาได้ภายในจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรอกอขอให้เข้าใจตามนี้ ก, ก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะ พระ อ, องค์สร้างบา ร, รมีสิบประการก็คือสร้างบุญนั่นเองนะเมื่อบุญพระ อ, องค์เต็มบริบูรณ์นี่นนะจึงได้เกิดดวงปัญญาณวิเศษขึ้นตัดกิเลสขาดจากสันดานได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสมดังความมุ่งมาตนปรารถนาดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้